เรื่องความยินดีหนึ่งเรื่องสมัยนั้นพวกญาติถามภิกษุรูปหนึ่งว่าท่านยังยินดีอยู่หรือภิกษุนั้นตอบว่าอัตมายังยินดีอยู่ด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่งท่านเกิดความกังวลใจว่าเฉพาะพระสาวกของพระผู้มีพระภาคเท่านั้นที่ควรกล่าวอย่างนี้แต่เราไม่ได้เป็นพระสาวกของพระผู้มีพระภาค